ญาติโยนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันแรกของเดือนตุนลาคมยวันที่เท่าไรที่ห้าใช่ไหมที่ห้าจา้ะเป็นวันแรกที่เราจะเริ่มสอนกรรมฐานกันการจเจริญกรรมฐา น, นของบรดาพระพุทธบริษัทถ้าว่ากันจริงๆก็ว่ากันต้องต้องว่าตามสังโยชนการบรรลุมรรคผลอยู่ที่สังโยชน์ เราจะทําสมาธิขนาดไหนก็ตามก็มีคนหลายคนไปถามที่วัดว่าทําสมาธิมาสิบปีบ้างยี่สิบปีบ้างกิจฉาดดีแล้วไม่รู้จะไปไหนไอ้ น, นี่พราะว่าจะไปโทษนักปฏิบัติว่าทำไม่ทำไม่ถูกก็ไม่ได้นะก็ทําถูกแต่ต้งต้เรียกว่าทําไม่ถึง เพราะอะไรเพราะว่าขัดการรู้สังโยชน์ถ้าไม่รู้เรื่องของสังโยชน์เราจะรู้มรรคผลไม่ได้ที่สังโยชน์แป็นเครื่งองกิเลสเครื่องร้อยรัดใจมีสิบอย่างหนึ่งส ก, กายญาติทิมีความรู้สึกว่าร่างกายเราต้องตายบ้างร่างกายเราสกปรกบ้างร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราบ้างสองวิธีกิจฉา ต้องความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์น่าสงสัยเราตัดความสงสัยเสียยอมรับนับถือสามทิธปตปารามาตติปติชอบรูปคำในศินหมายความไม่รักษาศินจริงจังแล้วกลับมารักษาสินจริงจังเสียถ้าทําได้แค่สามอย่างก็เป็นมโสดารมณ์นนประสิทธาคามีต่อไปถ้าตัดได้อีกสองอย่างคือรู้ คามฉันันทะมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศแล้วปฏิฆะอารมณ์ไม่พอใจ <c oughs> ตัดได้อีกสองอย่างก็เป็นพระอนาคามีต่อไปถ้าจเป็นพระอาหารหันต์ก็ตัดอีกห้าอย่างคือรึงรู้ราคะตัดความหลงในรูปประชาลสองอารมุปราคะตัดความหลงในรูปประชาลสามนะณะตัดความทิอตัวทิอตน สี่อุตจัตัดอารมณ์ุ่งซ่านห้าอาวิชชาตัดความพอใจในนุษสโลกเทวโลกสรรพมโลกต้องการให้ผ่านจุดเดียวด้าหลังจากนั้นจิตเป็นสังขารเปิดขหาย่างคือมีรมบางเฉยในขันห้าอั น, 5, นร่างกายอย่างนี้ก็เป็นพระอรหันต์ไม่อยากอยากไหมฟังแล้วไม่อยากนะ <c oughs> ออวันนี้ฟังยิ้ข่าวคนตายคนเขามาแจ้งข่าวตายหลายวันแล้วแต่วันที่สองสามีผลไมาเปล่าเท่าก่ใหญ่ฮะเอาจดหมายมาให้เพราะว่าสงฆ์ข้าพัญญาคุณด้วยฉันก็ต้องนั่งอ่านเฉยๆแกก็ย่องมาพอไปต้องสบายแล้วฉันเลย เอาตังให้เฉยเขาจ้างไห้สงเคราะห์แต่น้าเขาทำบุญสร้างพระองค์ด้พระเดระมนะ ก, ะก็ลงความว่าวันนี้ก็ยะมาพูดกันถึงมรณานุสิกรมฐณนเพราะว่าสังโยชน์ทั้งสิบอย่างนี่เขาตัดตัวเดียวตัวหน้าไม่ต้องตัดทั้งสิบตัวถ้าตัดตัวหน้ากำลังลดลงอีกเก้าตัวก็กำลังก็ต่ำไปด้วย ถ้าตัดตัวหน้าได้หมดหมายความอีกเก้าตัวก็หมดไปด้วยเวลาเขาต่ดก็ตัดพิจารณาขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ <c oughs> ถ้าพูดแบบนี้นาะจารณา์กระนามองหน้าเป่งไม่รู้เรื่องแล้วรู้เป็นการย่งยุ่งใช่ไหมถ้าเราจะพูดไม่ยุ่งก็ตัดร่างกายเราเอง ไอ้ขันท่า น, นี่ก็คือร่างกายขอเราเองสิ่งที่เรามองเห็นในตาเปล่านั่นคือรูปได้กันหนังเนื้อเราก็ไม่เห็นเห็นไม่าจราิงมาไม่เห็นใช่ไหมได้กันหนังนี่ยมันเป็นรูปเนื้อมันเป็นรูปกระดูกมันเป็นรูปสิ่งใดที่เราเห็นได้ในตาเปล่าสิ่งนั้นเป็นรูปเวทนาได้การเสวยอารมณ์สุขบ้างทุกบ้างไม่สุขบ้างไม่ทุกบ้างสัญญาได้กับความจํา สังขารอารมณ์ที่ปรุงแต่งให้ดีบ้างให้จั่วบางวิญญาณนี่คความรู้สึกมันอยู่ในร่างกายเราหมดฉะนั้นถ้าเวลาเราจะตัดจริงๆก็ตัดง่ายๆเรียกง่ายๆตัดร่างกายคาว่าตัดร่างกายนี่ไม่ใช่เอามีดไปตัดใช่อารมณ์ตัดคือ ย, ยอมรับนับถือความเป็นจริงของมันความเป็นจริงของร่างกายที่มันเกิดมัมนจะมีสภาพเหมือนกันหมด จะเป็นคนจนคนรวยคนขนาดไหนก็ตามนีม่เป็นสัตก็ตามมีสภาพเหมือนกันคือมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็เสื่อมแปรปร น, นไปในทางกลางสลายตัวในที่สุดเหมือนกันหมด <c oughs> อันนี้เราต้องยอมรับความจริงเของมันไอ้ที่เรายังเป็นทุกข์อยู่เพราะเรายังไม่ยอมรับความเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เรากลัวมากที่สุดคือความตาย นี่ถ้าเรากลัวความตายก็ต้องจำไว้ความตายเนี่ยไม่มีนิพิเครื่องหมายมันจะตายเมื่อไใดมันไม่บอกเรา <c oughs> บางคนยังเป็นเด็กคิดว่าเรายังไม่เป็นหนุ่มเป็นสาวเราจะไม่ตายมันก็ไปจริงคนที่ตายระหว่างเป็นเด็กก็ถ่มเถไปบางท่านที่เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่คิดว่าเราเป็นหนุ่มเป็นสาวจะไม่แก่ไม่ถึงว่ากลางคนเราไม่ตายก็ไม่แน่คนที่ เป็นหนุ่มเป็นสาวตายกระถุมเถไปคนวัยกลางคงที่เรายังไม่แก่หรือไม่ตายก็ไม่แน่เหมือนกันมันจะตายเมื่อไหร่ก็ได้บางทีคนแก่แล้วยังไม่อยากจะตายใช่ไหมยังคิดว่าอาจจะอยู่เท่า น, นั้นปีเท่า น, นี้ปีมันก็ไปถูกขึ้นชื่อว่าความตายมันเป็นกฎจะทื่อว่าเป็นกฎของกรรมก็แล้วกันตามภาษาพระนะวาระที่มันจะเข้ามาถึงเมื่อไหร่มันก็ตายเมื่อนั้น ตอนนี้เวลาที่มันจะตายจริงๆมันไม่บอก <c oughs> มันไม่บอกว่ามันจะตายเมื่อนั่นมันจะตายเมื่อนี่บางทีไม่ดีไม่มีอาการจะตายอย่างคนป่วยมากๆได้ตายเป็นของไม่แปลกว่าเขาทราบแล้วเขาป่วยทำไมต้องตายแต่บางทีคนป่วยก็ไม่คิดว่าจะตายแต่ถึงอยงั้นอาการมันก็ยังแสดงออกแต่ว่ามีหลายๆคน เรื่องการที่เสียอาการป่วยไม่มีแล้วก็ตาย <c oughs> ยกตัวอย่างนะเป็นปรชาติเอาใครดีเอาประชาชนดีกว่าว่าเมื่อสิบชาติผ่าแล้วมาเกิดเปได็นราชสีห์เออไม่ใช่เป็นหมาเอ้ยขอโทษขอโทษไม่ใช่จำผิดคนแก่แหมว์จำไม่ได้ <c oughs> เอานี้ก็แล้วกันสําหรับตัวอาตมาเองนะ่าเล่าเรื่องตัวเองให้ฟัง พระพุทธเจ้าท่านก็เล่าเรื่องตัวท่านให้ฟังเมื่อเมื่อก่อนจะลงมาท่านบอกว่าเล่าเรื่องของคุณเองให้ฟังก่อนแล้วกันเมื่อปีพศสองพันเท่าไรว่าเดี๋ยวเปิดตำราก่อนเมื่อวันที่สิบแปดตุลาคมสอง3ันห้ารอยสิบสามเวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทเีเสร็จนิดหน่อยเวลาหน้าอาจารย์นักนายอยู่ด้วยเปล่าไหมครับอยู่ด้วยเปล่าเ้าเลยอ๋อาอยู่ยนะ ให้ตายไปแทนาหาตทดแทนไม่ได้ตอนเช้าลงจากกุติชั้นสองข้างบนเอากล่อาเอกสารลงมาปาอกสารของวัดจะต้องชําระบัญชี <c oughs> บัญชีนี่ต้องเช็ค ก, กันทุกวันนะคือว่าไอ้ของที่มันมีอยู่กับที่เขาทามันตรงกันไหมเราก็ต้องดูในฐานะที่เป็นพ่อบ้าน จะถือว่าเจ้าหน้าที่เขามีไปเรื่องนั้นเจ้าที่เขาไม่ได้เพราะความผิดมันอยู่กับเราแต่ผู้เดียว <c oughs> ก็เอาเอกสารลงมามาถึงก็ฉันข่าต้มพอฉันก็ต้มเสร็จก็เข้าห้องอินเตอร์โฟนที่ทํางานพอเข้าไปในห้องอินเตอร์โฟนก็าวางกระเป๋าก็มีความรู้สึกว่าต้องการจะเข้าวสวมมันเข้าไปทําไมรู้ไหม อาจารย์ น, น, นาคาเคยเข้าไหมฮะเข้าไปทำไมปลดทุกข์กออให้มีทุกขนะ์ปวดปวดเลยส้ม้วปวดทุกข์ฉันไม่ปลดทุกข์ปวดทั้งขี้แหมไ ม, ไ ม, ไม่น่าจะแอมอมแอมเล <c oughs> <c oughs> คือมันรู้สึกว่าต้องการยังเข้าส้วมก็วางกระเป๋าเดินเข้าส้วมพอไปนั่งมันถอส้วม หน้ามืดทันทีไม่ใช่หน้ามืดมันมืดทั้งหมดมองไม่เห็นอะไรเลย้วการป่วยไม่มีในตอนนั้นไม่ได้ป่วยนะความรู้สึกในการป่วยนิดหน่อยก็ไม่มี <c oughs> มันมืดตึมมองไม่เห็นอะไรทั้งหมดติใจใจสบายตามความรู้สึกมีความรู้สึกว่าที่ตรงนี้มันส้วมมันโผล่ส้วม <c oughs> ถ้าเราจะตายที่ตรงนี้ ไม่ใชู้สิษ ย, ย์ทูหาย่าไอเค้าไอจ่ายไม่ตายมุโถส่ว ม, มนะแหมพวจริงก็ดีเหมือนกันนะมันชนะประวัติพระองค์งอื่นนะทิศแล้วแล้วมาสมัยพระเจ้าไม่มีนะทางเสด็จได้ล่อยไว้ก็ดีนั่งคอยประเดี๋ยวหนึ่งให้มันสว่างมันก็ไม่จางลงมันมืดตลอดเวลาแต่ใจเป็นสุขมากใจได้เ ป, เป็นสุขมันมีอะไรปกติเพราว่าถ้าอะไรผิดปกติปับ๊บอารมณ์จับผลิพานทันทีเห็นผลิพานสว่างนะยแต่ข้างหน้านี่มืด แล้วก็นึกในใจว่าเรื่องมันจะตายมันเรื่องเล็กของธรรมดาถ้าเราตายเมื่อไรเราก็มีความสุขเหมือนนั้นถ้าเรายังไม่ตายเราหาความสุขไม่ได้ต้องเหนื่อยแบบนี้ก็คิดว่าถ้าตายบนโถส้วมมันจะไม่เหมาะก็ลุกขึ้นแล้วกเกาะราผ้าแต่มันยังไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่ายเลยก็ค่อยๆค ำ, คำมาคำมาเธอข้างหน้าห้อง ไอ้หน้าห้องส่วข้างๆห้องส้วมนันมันเป็นห้องมันทึกเสียงนั่นหน้าห้องส้มทางมันเป็นทางเดินเข้าบันทึกเสียงก็มีโมปูอยู่พอไปถึงโรมเท้าเหยียบก็รู้สึกว่านี่เป็นโรมก็เอ็นกายลงนั่งลงแล้วเอ็นกายลงเพรเอ็นกายลงไม่ทราบเว้นตาถอดเมื่อไรการถอดเว้นตาไม่รู้สึกตัวนะอเอ็นกายลงปั๊บพอหวัวถึงพื้นปับ๊บไอ้ทิศมณกายมันก็หลุดจากตัว มันก็ขึ้นไปเลยโอ้ยพอออกไปแล้วปั๊บมันดีกว่าเก่าตั้งเยอะเห็นไหมที่เราเคยไปแล้วมันนี้มันดีกว่าเก่ามากก็นึกดีใจว่าครา้นี้เราหมดทุกข์พอไปถึงจุฬามณีตั้งใจจะเข้าไปไหว้พระปรากฏว่าที่นั่นพระเต็มพระจักรวาลทั้งหมดบนสวรรค์พระกับพรมเต็มรถรัดไปไม่ได้เลย ไปถึงไปเห็นพระเจ้าเปิดพระเข้าพระใหญ่ที่สุดท่านถามว่าจะไปไหน <c oughs> ก็บอกว่าในเมื่อร่างกายมันไม่ให้ใจอาการไปอย่างนี้ผมก็ไม่ไม่มีอำนาจจะใช้ร่างกายได้ผมก็จะไปตามทางของผมที่ของผมอยู่ที่ไหน <c oughs> ผมจะไปที่นั่น <c oughs> ท่านบอกอยังก่อนยังไปไม่ได้ก่อนว่าสัญญาเดิมมันไม่อยู่ ท่านต่อให้ถึงอายุยี่สิบห้าปีตอนนอายุของฉันเนี่ยมันต่อต่อเรื่อยๆมาต่อครั้งละสิบปีอายุไขจริงมันหมดนานแล้วไอ้ที่เหลือเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อายุไขอายุต่อไม่ว่าการต่ออายุต่อไว้ให้เพื่อตายยี่เมื่ออายุยี่สิบห้าปีเมื่อเออไม่ใช่ยีิบห้าปีพศสองพันเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบสามพศสองพันสี่รอ ห้าร้อยีิบห้าอีกสองปีตายถ้าบอกยังไม่ครบกำหนดเขาบอกว่าต้องว่าจะครบกำหนดหรือไม่ครบก็าตามแต่กำหนดจริงๆของผมมีแค่อายุยี่สิบเจ็ดปีมันเลยกำหนดมานานแล้ว <c oughs> แล้วก็ต่อมาเรื่อยถ้าบอกเอางี้ก็แล้วกันอาการเป็นอย่างนี้เพราะฉันเองมันแน่เจี่ยตัวเลยแม่เจื่ยตัวพยามาจุราชนี่ เพราะว่าท่านบอกว่าถ้าหากว่าปล่อยถึงพศสองพสอยยี่้านะสอง5้าย้าฉันจะไม่าสามารถเอาเธอไว้ได้ฉันต้องการให้ทำงานต่อไปแต่นี่เหลือเวลัยสองปีฉังตัดหน้าที่ก่อนให้ถือว่าเวลานี้ตายไปแล้วนะนีะ่แสดงแบบนั้นนะถ้าสั่งให้กลับลงมา เราไปไหนไม่ได้เนี่ยอากาศไม่มีว่างเลยช่องเล็กนิดเดียวก็ไม่มีรอดไปไม่ได้ใช่ไหมเมื่อไปไม่ได้ก็กลับกลับทา่านลงมาด้วยพอลงมาถึงปั๊บพอเข้าในร่างพอเข้าในร่างกายสักประเดี๋ยวก็ลืมตามันดูมันยังมืดอยู่แล้วหลับตาไปใหม่จะครู่ก็ลืมตามันดูใหม่เห็นจางแฮ่ไอ้ความมืดมันค่อยค่อจาง เมื่อกายมาจาง ก, ก็เห็นท่านนั่งข้างๆท่านบอกว่านี่ถือว่าตายแล้วนะแล้ววันนี้เวลานี้ถือว่าเกิดใหม่ต้องเกิดต่อไปอีกสิบปีเนี่ยเอาทีลสิบไม่รู้มากี่สิบแล้วเนี่ย <c oughs> แล้วต้องอยู่ต่อไปอสิบปีถามว่ามีงานอะไรท่านบอกงานของฉันมีทํางานแทนฉันไปก่อนก็เป็นว่าการตายค่าวนั้น ให้วางยาพิษเนาะไปโดนพระใหญ่วางยาพิษท่านบรรดานี่ยมันยาวางยาพิษนะก็เป็นว่ า, าการตายคำนั้นมันไม่มีนี่ไม่เครื่องหมายคือว่ า, าการป่วยนิดหนึ่งไม่มีใช่ไหมนั่นต้องถือว่าตายแล้วก็อาการเสียดแทงนิดหน่อยไม่มีเลยมันมีความรู้สึกเฉยๆว่าต้องการยาเข้าสวมเข้าไปหน้ามันก็มึน ด้าข้า ง, งหนึ่งอี่ข้างหนึ่งที่ว่านี้ไม่มีนี้ไม่เครื่อนไหวก็คือไม่เร็วๆนี้เมื่อวันที่3ตุลาคม2552ไอ้นี่ก็เหมือนกันนี่ก็อาการป่วยไม่มีที่ว่าร่างกายปกติไอ้ที่ว่าป่วยธรรมดาธรรมดาต้องฉันยาถ่ายในเรื่องธรรมดาดังนั้นมันตอนกลางวันนั่งรับแขกอยู่เวลาประมาณ14นาฬิกา3นาที ก็ไม่เคยจะเข้าสวมเวลานั้นไม่อยากจะเข้าสวมเมือ่อท้องปั่นปวนนิดหน่อยเมือเหมือนปวดจาระธรรมดาก็เลยบอกแข่พวกค่คอยก่อนนะแต่มาจะเข้าสวมพอเข้าไปถึงสวมมันก็ยังไม่ถ่ายแต่ที่มันอยากจะบ่นน้ำลายมองดูกระถนในส้วมก็ไม่มีเข <c oughs> าไม่มีกระถนไม่ให้ ก็หยิบขันหน้ามาวัจานจะบ่นน้ำจะบ่นนําลายแต่แทนที่จะเป็นน้ำลายมันเป็นเส้นมหะเป็นริมๆเลยออกมาเต็มเต็มขันแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ทราบว่าขันหลุดมือเมื่อไรและอาการมันจะมันมันออกมาอีกมากอาการตอนหลังนี่ไม่รู้เพราะว่าความรู้สึกตอนหลังไปรู้สึ ก, กเพียงว่าไปนั่งคุยกับเทวดาสององค์ตอนที่มันออกไั้ไม่รู้ คือเทวดาสององค์ท่านคุมเป็นปกติต่านคุมประจําตัวอยู่แทนท่ามหาราชองค์ห น, ยายาหนึ่งชื่อว่าวิยะยาวีไอองค์หนึ่งท่าบอกท่านชื่อบุเรงนองนะจะเป็นบุเรงนองยุติยาไอสัพพมารหรือเปล่าจะไม่ทราบไปถามท่านนะท่านบอกท่านชื่อบุเรงนองชื่อว่าท่านบุเรงนองนี่เป็นเทวดาของเท้าวิรหกไอเป็นอินากะเทวดาที่ผู้ใหญ่มากพร้อมที่จะเป็นท้ามหาราช ท่านพิะยาเยา ว, วีก็เป็นอินทกาเหมือนกันพร้อมที่เป็นฐานรากของท้าวเวสสุวรรณก็นั่งคุยอาสาสององค์ผลไม่ได้สนใจร่างกายพอสักครู่หนึ่งท่านก็นเลยบอกว่าท่านครับในมลเข้าสู่ร่างกายเด็กบอกเอา้ามีชั้นมากไงอะ่ะท่านก็นเลยบอกว่าดูที่ร่างกายจะเป็นยังไงไปดูในห้องสวมเสพหมันเต็มไปหมดมาเอามาวิ่งริ่มๆเลยนะ โผลมากลก็เกินไม่รู้ออกมาได้ยังไงใช่ไหมไม่อยู่ยนได้ยังไงท่านเลยบอกว่าถ้าหากว่าผมไม่ดึงท่านออกมาก็เป็นว่าท่านต้องขาดใจตายแต่ว่าท่านจะตายไม่ได้เพราะเท่ามาราชสั่งไว้จะยังตามไม่ตายไม่ได้เวลานี้นะต้องออกประกอบไม่พ้นหลังจากนั้นแล้วก็กลับเข้าตัวเมื่อกลับเข้าตัวก็ ต้องนั่งรออีกประเดี๋ยวก็จะมีแรงพอมีแรงบ้างก็เกาะราวน้ำออกเอาลผ้าเอาไปที่ประตูพอพอดีสมุนบัญชาแกอยู่หน้าประตูเวลานั้นมันมีกรอนจะเข้าไปไม่ได้ใส่กรอนเวลานี้ก็เลยกรอนออกแล้ว <c oughs> พอไปถึงบับก็จับมือพอจับก็จับมือทนาพับอีกอีกทีคราวนี้หมดความรู้สึกเสียงสมุบัญชาเรียกปรัตวิรัตวิรัตวิรัตเร็ว ได้ยิเสียงแวแวๆอย่างนั้นก็พับฐานไปรู้สึกตัวไมท่ทีเขาก็โนดกันน่าเป็นน้ำว่าตัวนั้นก็ตายจริงๆในเมื่อออกจากร่างกายแล้วก็ต้องถือว่าตายเป็นน้ำว่าความตายไม่มีนิมิตหมายทุกคนต้องพร้อมไว้เสมอนะใช่ไหมแต่ว่าตายคันนั้นมันดีอย่างมันยังไม่จบไรนิดนะพอตกเวลากลางคืนขาวก็ทราบไปที่นครสวรรค์ อาจารย์บุภาชาติกับหมอนัพรหมอเตือนใจก็มาจากนครสวรรค์มาดูอาการขณะที่หมอมาดูก็เช็คร่างกายเช็คไปเช็คมาแล้วก็มาตรวจแล้วก็ไปไปดูยาว่าจะใช้ยาอะไรขณะที่หมอเขากำลังพิจารณาพิสูจน์ยาเลือกยาที่ตอนนั้นมันไปเที่ยวนอนนอนอยู่เฉยๆมาวิบออกไปเฉยๆออกไปจากตัว ออกไปเจ้ตัวอ้ตอนออกจริงๆนะไม่รู้ไม่รู้สึกไปรู้มันลอยอยู่ของบรรยากาศแล้วแล้วก็ไปโคง้งตรงโน้นนครราชสีมาไทยสารไปเจอบ้านสองหลังเป็นบ้านสากดาฬมีควายสองตัวแล้วมีกองฟางอยู่กองหนึ่งไทยบ้านเสียงบอกว่าถ้าเกิดที่ตรงนี้ต่อไปจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิ่ จักรพรรดิไถนาก็มีเสียงตอบไปมันต่อไปเองไหมว่าความเป็นจักรพรรดิฉันไม่ต้องการเพราะฉันเป็นมาสิบครั้งแล้วในสิบครั้งก็มีสภาพมันก็ขีข้าคนทั้งโลกต้องรับเลี้ยงคนทั้งโลกต้องเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันฉันต้องการที่เขาถ่ายขึ้นนิพพานแล้วก็เลยไปนิพพานพอไปถึงนิพพานก็พระถึงก็ไล่ลงมา เขาบอกยังไม่ถึงเวลามาพอเขาตัดยาหลอดยาแล้วเขาจะฉีดใหลล้ลงไปลงไปก็เป็นแลาว嘛ตายยังไม่ได้ใช่ไหมเพราะยงไม่จะตายไม่ได้มันตายแล้วตอนนี่มาตอนนี้ที่พูดแบบนี้ก็ไม่ใช่อะไรจะเล่าให้ฟังว่าไอ้ความตายเนี่ยมันไม่มีนิมิตเครื่องหมายทั้งสองครั้งเนี่ยการความตายไม่ปรากฏที่บอกว่าจะตายนะเพราะอาการป่วยไม่มีใช่ไหม อาการป่วยอืดเสียดนิดหนึ่งมันก็ไม่มีจะปวดที่สะสักหน่อยหนึ่งแล้วหนาวสักนิดหนึ่งร้อนหน่อยหนึ่งก็ไม่มีร่างกายปกติแล้วอยู่ๆมันก็ตายตอนนี่บรรดาญาโยมพุทธวิเศษก็เช่นเดียวกัน <c oughs> ทุกคนต้องพร้อมตายไว้เสมอตามที่พรุทธเจ้าทรงแต่กับพระอนนท์วา่าถามมันพระอนนท์ว่าพระอนัอานท า, า, า, าดูก่อนอนนท์ ตาถาคตรอยากจะทราบว่าเธอนึกถึงความตายวันกี่ครั้งเวลานั้นพระนนทเป็นประโสดาบันพระนนทตอบว่าข้าพระเจ้านึกถึงความตายวันเจ็ดครั้งพระเจ้าบอกว่าห่างเกินไปอานนท์ตาถาคตเองมีความนึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่าบอกว่าถ้าบุคคลใดท่านนึกถึงความตายทุกลมให้ใจเขาออกเห็นนึกถึงว่า นึกถึงความตายไว้เสมอก็จะไม่ประมาทในชีวิตพราะความตายของแต่ละคนมีสภาพไม่สูญไม่ใช่เกิดแล้วก็ตายตา ย, ตายแล้วก็สลายตัวไปถ้าแบบนี้เราก็ไม่ต้องสร้างความดีกันใครอยากจะสร้างความดีใครอยากจะสร้างความชั่วยังไงก็ช่างมันในเมื่อตายแล้วก็สลายตัวมันไม่เป็นอย่างนั้น <c oughs> แต่นี่สาหรับพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่เกิดมาแล้วนับไม่ถ้วน คือไม่ได้นับก็ไม่รู้อาจารย์นับหรือเปล่าไม่นับใช่ไหมมันเกิดมาแล้วนับไปทวนตั้งแต่กว่าก่อนที่เราจะรู้จักคำว่าบาปปุลคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ตั้งแต่สมัยที่เราเลวมา ก, กวาเวลามันมากกว่าที่เรารู้สึกว่าดีรู้จักความดี <c oughs> กว่าจะรู้จักการให้ทานรู้จักการรักษาศีลต้องเกิดมานับไม่ทวน หลังจากนั้นแล้วจึงเข้ามารู้จักความดีในความดีที่รู้จักก็คือหนึ่งทาน 2, สองศีลสามภาวนาสามอย่างนี้เรารู้จักเรียกวความดีใ้ก่อนหน้า น, นั้นมันมากกว่าใช่ไหมขันาดาที่เราไม่รู้จักความดีนี่มันลงนรกตายแล้วก็ลงนรกออกจากนรกก็เป็นเปรยออกจากเปรย์ไปสุรกายออกจากสุรกายไปสัตย์ฉันจากสัตยฉันมาเป็นคนจากคนลงนรกใหม่ มันทำเลือีกเนี่ยใช่ไหมถ้าวนแบบนั้นไม่รู้กี่เที่ยวหลังจากนั้นมาไม่รู้จักเมื่อรู้จักความดีบ้างทำดีได้บ้างพลาดความดีบ้างก็ตายแล้วไปอบายภูมิบ้างคือนรกเป็นต้นไปสวรรค์บ้างไปเป็นพรหมบ้างมาเป็นคนบ้างเป็นนรกบ้างว่าไปว่ามาแบบนี้นี่จึงกว่าเราจะมีความเข้าใจว่านิพพานมีจริงเฮ้ยจิตใจต้องจิตใจนึกถึงว่านิพพานจริง อันนี้ต้องใช้เวลามากอารมณ์ของคนนี้จะรู้จักนิพพานจะเข้าใจเรื่องนิพพานเนี่ยต้องใช้เวลาเยอะที่พระพุทธเจ้าตัดบา ร, รมีไว้สามชั้นบา ร, รมีต้นถ้าเรียกบา ร, รมีเฉยๆอย่างนี้ยังไม่คิดถึงนิพพานถ้าอย่างเก่งก็ให้ทานการรักษาศีลก็ไม่แน่นอนนะักแล้วแค่นั้นแหละ ถ้าชวนเดินภาวนาเขาบอ ก, กไม่ไหวทําไม่ได้ต่อมาบารมีกลางที่เรียกว่าอุบารมีถ้าชั้นนี้ถ้าชวนเดินภาวนาพอทําได้แต่ทําทแค่ชา้นโลกีทําได้ถ้าบอกให้หวังนิพพานเป็นที่ไปนะเขาใส่หัวตกไม่ไหวเพราะําลังใจไม่ถึง ต่อมาถ้าจะเข้าใจนิพพานได้ต้องเป็นปรมัตถบา ร, รมีฉังนั้นทุกคนที่มีความตั้งใจคิดว่าอยากจะไปนิพพานเป็นอารมณ์นั่นคนนั่นมีบา ร, รมีเป็นปรมัตถบา ร, รมีกว่าจะถึงปรมัตถบา ร, รมีนี่อย่างน้อยๆ น, นะก็ต้องผ่านโลกมาอย่างน้อยประมาณร้อยไอส้งไข่กลับไงแป่ส้งไข่กลับไปอย่างเงี้ยไอเสียส้งไข่แปดส้งไข่สิโพส้งไขนะ่นั่นมันดีมากแล้ว ไอ้ก่อนหน้าที่เร็วมันมากกว่านี้ใช่ไหมถ้าหากเป็นปัญญาที่กะอย่างพาระเจ้าปัญญาที่กะบังเป็นบ ร, รมีเสียงสงไขกาทาท่กับคาธาธีกะแปดอสงไข่กับอาแปสก็แสงกับถ้าปัญญาที่กะก็สิบหกสงไข่ก็แสงกับ <c oughs> ตอนนี้พวกเรากว่าจะรู้ความดีความชั่วเนี่ยต้องอาศัยผ่านความเร็วมามาก มารู้จักความดีก็ต่างยังต้องเกิดอีกนับไม่ถ้วนฉะนั้นขอทุกคนเึงมีความเข้าใจว่าความตายมีกับเราแน่จงอย่าคิดว่าความตายจะมีเข้าถึงเราในวันพรุ่งนี้ให้คิดว่าความตายอาจจะถึงเราวันนี้ไว้เสมอถ้าไม่ใช่งอเมืองงอเท้านะเร่งรัดทําความดีเราจะไปไหนละ่ะตายแล้วจะไปไหนจะไปนรกไหมไปไม่อยากนรกไม่อยาก ไม่ต้องไปด่าชาวบ้านให้เขาโกรธเราอยู่ในบ้านเราไปนั่งด่าพระพุทธรูปในบ้านสบายเราลงนรกเองไปด่าชาวบ้านนี่เขาด่าเอามั่งใช่ไหมอเอาว่างนะเอาเถอะทำไมถ้าเราอยากจะไปสวรรค์ก็นั่งไหว้พระพุทธรูปในบ้านนั่นแหละไม่ต้องไปไหนก็ได้ตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนั่งต่อหน้าท่าน ก็ไปสวรรค์ถ้าอยากจะไปเป็นพรหมก็นึกให้จิตทรงตัวก็เป็นพรหมถ้าอยากจะไปนิพพานตั้งใจคิดว่าไอ้ร่างกายเร็วๆอย่างนี้ให้มีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายต่อไปไม่มีสําหรับเราอีกต่อไปข้าณะคือที่ว่าเกิดความเป็นคนก็ดีเป็นใส่ก็ดีจะไม่มีสำหรับเ ร, เราต้องการอยูเดียวคือ น, นิพพานถ้ามันตายระหว่างนั้นจริงๆก็ไปนิพพานอรรถบรณฑาญาโยมพุทโธเสด็จทั้งหลาย พูดไปพูดมาได้เลยบ้างม่รยวันนี้อือได้ไหมได้เลยเอาตอนนี้ไปเขาทุกท่านตั้งใจสมาทานสินสมาทางเป็นรรมานนะ